คัดเลือกมาวันที่ลงคะแนนเสียงผู้แทนมันที่สองแต่หลวงพอบ่าวเมื่ว่านะหลวงพอวาดตึางแทนหลวงพ่อเกิดมาจนจะเขาเจ็ดสิบปีเตดลู้เรื่องลู้เล่ามาไดใดก็บแมปีนี่แหละเลือกผู้แทนไอลุงตังนั่งไอร่งตางนุ่งสรุปแล้วก็คือบ้านเมืองคนในชาติของเฮา บอเป็นเอ ก, กฉันผู้ใหญ่บอเป็นผู้ใหญ่ผู้หน่อยบ่กเป็นผู้หน่อยผู้ใหญ่ก็บอเบิ่งเจ้าของผู้หน่อยก็บอเบิ่งเจ้าของต่างคนต่างบอเบิ่งเจ้าของมีแต่ผู้อื่นเบิ่งแต่ผู้อื่นว่าผู้อื่นบดีบอกเบิ่งเจ้าของคันว่าแบบภาษาพอขุนล่ามก็ว่ามึงบอเบิ่งมึงกูบอเบิ่งกูนะไป ต่างคน้นต่าง บ, บึงเจ้าของมันเหลืองก็เลยเป็นหนึ่งสี่แหละลูกหลานเลยแต่ว่าต่างคน้นต่างเ บ, บึงเจ้าของก็จะมีหม่องตํานี้มีหม่องบกพ่องบึงเจ้าของมันต้องมีหม่องบกพ่องกันหม่อ ง, กองบกพ่องบกพ่องอยู่หม่องใดเอากระปุกไปย่มปะปุงแก้ไขเจ้าของต่างคน้นต่างปะปุงแก้ไขเจ้าของ คุ้นงามความดีมันก็จะขึ้นมาเท่านั้นแหละบร ม, มนิะ ป, ปุงผู้อืน่นสรุปแล้วกคือให้เป็นคนดีมีสัมมาชีพสัมมาชีพคืออยังเลี้ยงอาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องเลี้ยงชีพในทางที่เป็นธรรมอย่าไปเบียดบงัง อย่าไปขดอย่าไปโกงอย่าไปป่นไปจี้ไปเบียดไปบังคนอื่นทรัพย์สมบัติของผู้อื่นหากินโดยสุจริตธรรมถูกต้องตามตามกฎหมายอันใดพิษอันใดถือเข้าก็หูจักอยู่แล้วสื่อสิดขายเสียงสิมันพิษบอสนะมันพิษอยู่แล้วมันมีกฎอยู่แล้วเข้าก็ต้องเข้ารบกฎกติกา การอยู่น้ากันขันเขาผมมีกฎกติกาการอยู่น้ากันเนี่มันก็คือกันกับเลี่งหลวงพ่อเนี่ยนะตัวใบใหญ่หยุกหางขึ้นมากกัดกัดมูต่อมาลูกน่องเก้งขึ้นมากกเห็นหัวนาเท่าแล้วก็ลูกน่องกัดกัดหัวนามันหัวนากัดแล่นนี้อีกต่อมากกัดกันอีกผลที่สุดก็เลย บมไม่กดบมไม่กติกาตัวใดเก่งตัวนั้นก็เป็นตัวชนะเท่ามันบม่มเนสัตว์ป่ามนุษย์เท่ามันบม่มเนสัตว์ป่ามันมีกดมันมีระเบียบไม่ท่ำไม่วินัยยังพระสงฆ์ขึ้นกันเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่เพื่อนก็ บ, บันไดบัญญัติกฎระเบียบบันไดบัญญัติวินัยพอว่าต่างคนต่างบวชมากเลวก็ เป็นผูมุงมั่นตั้งใจให้ภาวนาเนอะให้บังใจเจ้าของเนอะพระรุ่นแรกก็คือพระเกรดเอเกรดเอก็ค่อยๆว่าขัานเอาหัวกะทิในจิตในใจพอเกิดมาแ้หเห็ดจัางไนสิพลทุกข์ก็ยังพรพุทธเจ้าสนะเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นคนแก่นเจ็บคนตายก็เกิดความเบื่อหน่าย พระสาวกเหล่านั้นขึ้กันในบ่มเพ่นม้าในอดีตชาติพ่อเกิดคือม้าแล้วมันสร้างทุกแท้เกิดมาในโลกนี้ให้จังได้สิพ้นทุกนะพอได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ออกหนีออกจากบ้านจากเครื่องจากชีวิตครวัตไปบ่มเพ่นกับพระพุทธเจ้าต่างองค์ก็ต่างค้นกับต่างได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลว่าเรียกว่ากัญญา เพ อ, อะไรสาเร็จล่ะเนีพราะทุกคตนองมีแต่เบิงเจาะของพราเบิงเจ้าของแล้วก็มิแต่ประกอบคุณงามความดีน่นแหละจึเป็นคุณดีนนแหลมันสัวยญาเฮต์บอ่อเฮอ์บอ่อคิดบอ่อพูดบอ่อทำคิดกับบ่คิดมันคืทําสิพูดใดจังไดเพราความสวนะ่วนหู้จักอยูแล้วความสัวนคืออย่างอออันนี้ก็คือในยุคแรก พ่อตอมากพ่นบวชหล่เขาหล่เขาไล่เขาแทนนี่มันคละเคล้ากันเลยได้ทนนี่มีศรัทธาได้บอมีศรัทธาแดมีความเสื่อได้บอมีความเสื่อแด้บัดนี้เกิดขึ้นเอาไปมากกันนี่แหละก็เลยทําความสวเสื่อเสียหายในวงการพระพุทธศาสนาขึ้นพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นเออเห็ุถึงสีมันโมแมนแน่ว่ะ สัตยานี่ยอยมเพชรโอ้เฮ็ดจันทสีผ้าสรงเฮ็ดจันทร์สีมันเบิ่งมันบแมนได้่มีมารยาทที่ดีเลยโลกโลกกวัตชะทางโลกเขาก็ตีเตียนวัอถ้ำมาวัชชะถ้มก็เพชรจันทร์สีมันโมถือถ้ำมันบมถือกอดมันโมบิดระเบียบมันเอารลัดเอาเปียบผู้อื้นแบบนี้พระพุทธเจ้าเเพลินหูจักบ่ใดมันต้องตั้งกฏ ก็เลย ม, มีกฎเกณฑ์ึ้นมาเราว่าทำวินยัยคือตั้งพระวินยัยศีลและวินยัยคือม้าเพื่อให้อยู่ในกรอบสำหรับศรัทธาญาโนมก็คือศีลหาผู้ที่จะมานับถืออยู่ในศาสนาของเราตถ า, าคตให้มีกฎจึงสีเนดะ้อให้มีระเบียบจึงสีนะ่น้อให้มีกฎหมายคุมข้องแบบนี้เนะ้า แต่พันกวาร่โบเปนกฎหมายพันว่สินผพวกเข้าถือว่าสินก็เลยเป็นสีตัวลอยวัดในเงินเอาไปพันว่าศินเลยรักษาสินเงนเอาไปศินก็คือกฎระเบียบนั่นล่ะขอที่หนึ่งอย่าขากันเน้อเนีว่าจยงนี้มันเป็นกฎหมายบอพ่นเนี่ยมันเป็นธรรมบอมันเป็นกฎหมายบอคําว่าศินคำหนี่งขอที่หนึ่งอย่าขากันเน้ออย่าคิดขากันเน้อขอที่สองอย่าคิดขโมยกันเน้อ ขอที่สามให้เคารพทิดสามีภรรยาซึ่งกันและกันนะขอที่สี่ยาขีตัวกันนะยากโกหกกันนะตุมตุนหลอกลวงกันนะขอที่หาย่า ก, กินเหล่านะอย่าเป็นกินของมึนเมาหนะ่อยแต่กินของมึนเมาขั้นช่ายยาฟินเฮตุอินอยาบ้ายยามาอสุกล่าแม่ไล่เขาไปแล้วนะมันขาดจิตติแล้วมันเห็ุข่วมซัวได้ทุกอย่างนะพอคนขาดจติต อย่าไปหาคือกินของมึนเมาเนอะมาพิจรารณาเบิ่งแล้วันเนี่ยอันนี้คือกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้ครวะญาติโมยมหญิงชายให้เบิ่งเจ้าของท่าว่าพวกเขาคิดขากันพวกนี้คิดข่าพวกนั้นพวกนั้นคิดข่าพกนีนไปใส่ปืนเน็บมีด เ, เตรียมสัตราอาวุธไปพเพราะว่าไว้ใจกัน โลกทั้งโลกจะหาความสุขได้ไหมหเผอเผอเห็ดเบ่งตาเขียวใส่กันแน่ใ น, นการเอาละเอามันเห็ดใส่กูตัวนี่ยคนมีกูก็มีอาวุธอยูน่นี่ะพอได้โชกันอะเปี้ยงป่างใส่กันเอาบมักนี่มันเห็ดอย่างไมย้ยิ่งพอยิ่งแม่ยิ่งบ้งสาขนาดกูติมัมนจะขากูตีนเอาแม่เลยไก่ยกพวกใส่กันมาเนี่นนี่เราจะหาความสุขได้ยังไง คนคิดขากันเพราะนั้นยากคิดขากันพรพุทธเจ้าขันการบอคิดบอกขากันนั่นแหละความสงบนิ่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุ่มชนเพราะว่าไม่คิดไม่คิดขากันถ้าเขาคิดข่าเราเราคิดข่าเขาเอถ้าเม้าเมื่อเขาไปข่าพ่อแม่พี่น้องของเขาเขามีความรู้สึกจังไดถ้าเขามาข่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเขา้า เฮาเสียใจเฮาเสียความรู้สึกอย่างมากเขาเฮาอกันเพราะนั้นเอาหัวใจเขามาใส่ใจเฮาใจเฮาใจใจเขานี่ยแหละคือทำามขาสอนของพระพุทธเจ้าอาทิต์นหน้าท่านคือนเฮาไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเฮาเออขโมยสิงของเออขโมยงัดบาทอขโมยงัดตูเชฟ ขรมุยเงินในธนาคั่นกระมุยพอขรมุ่ยแม่กรมุ่ยลูกเมียของเขาไปเรียกคาไทยเขามาขรมุยของเฮาล่ะเฮามีความรู้สึกจังไรถ้าเขามาขรมุ่ยของเฮาเฮากไปขรมุยของเขาแม่เฮาบมมีความรู้สึกพวกเขาเฮาไปขรมุ่ยเขาเลยสมนำหนามันอีกเหยียดหยามมันอีกแต่เขามาขรมุ่ยของเฮาเนี่ยเฮ เท่ากัานั่งจุกคขื่นอนนะนะเสียจ่ายอย่งางหมักเอทั้งเขาลบลู้ด้วยทั้งเขาดูถูกด้วยทั้งเสียของไปด้วยอก็เป็นคืดมากกว่าท่ากันไดนะ้พอเขาขโมยมากเข า, าเขาโมยของเฮ้าอ่ะอันนี้แหละเขาเฮ้าทิ่นหน้าท่านอยาขาโมยกันเนอรกฎหมายของพระพุทธเจ้าข้อที่สองสำหรับควบคุมดูแลคารวะ ข้อที่สามกาเมสุมิตษาจานยาราเวรมนีนสามีภรรยาลูกหลานของผู้ใดเขาก็รักรักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเฮาไปล่วงร่ำเขาไม่เคารพสิษฐ์เขาเขาเสียความรู้สึกเขาเสียใจถ้าเขามาล่วงล่ำเฮ า, เาในสามีภรรยาลูกหลานของเฮาเฮาก็เสียใจเพราะนั้นให้เคารพสิษฐ์ ขอของเขามันไม่กดมันไม่ระเบียบให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันละกันนี่แหละคือสินหาใจเขาใจเห่าคอที่สีมุสาวาธายากีต๊กยาขีตัวยากโกหกต้มตุลหลอกล่วงคนอื่นเขาถาเหาไปต้มตุลหลอกล่วงโกหกเขาเขาก็เสียใจ เสียความรู้สึกตัวหนาตัวหลังยิ่งเป็นผู้ใหญ่บอกวัยกระหล่องกระร้อยเดี๋ยวโกตัวว่ามือนั้นหมดกันได้กอว่ามือนี่กี่ตัวเอาแก่ผ้าแก่ผ้าเอาหนาหลอดเป็นมื อ, มอเว่นไปขาดความเคารพในหลักธรรมคัมภีร ข, ของพระพุทธเจ้าเพันกากระบาดกาหนาไว้แล้วนะคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รนะ จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีให้พวกข้าฟังเข้าเอาไว้พระพุทธเจ้ากากระบาดไปเลยล่ะคนใดสอบโกหกหาความจัดความจริงบัไหนจะทำบทบกคิดทําความซัวอย่างอื่นเป็นบ่มี่ไหอันนี้ก็คือสินคอที่สคนที่สอบโกหกเมื่อเข้าไปตุมตุนเขาหลอกลวงเขา เขามีความรู้สึกจังใดเขามากโกหกต้มตุนกับเฮ้าเฮ้ามีความรู้สึกจังใดสรุปแล้วก็คือศีลของพระพุทธเจ้าเน่ยเอาหัวใจเขามาใส่ใจเฮ้าเอาใจเฮ้ามาใส่ใจเขาในเมื่อเฮ้าไปทํากับเขาเขาก็เดือดร้อนในเมื่อเขาไปทํากับเฮ้าเฮ้าก็เดือดรอ้น อ, าาาด อ, ดรอนเช่นเดียวกันกฎหมายของบ้านเมืองก็คือกันบได้แพกกันเนี่ว่ากฎของศีลธรรม ของศิลธรรมของพระพุทธเจ้าของพระพุทธศาสนาเราก็คอที่หาเนี่ยเขาเอาเงินไปซื้อเหลากินมันจะไปเหตอซื้อถูกต้องตามกฎหมายอีกต่างหากว่เห็นจะเดือดร้อนกับไผ่ไม่หายหนุงอย่างฮะก็มาซื้อยาบายาา่ายายาัหมากยาฟินเออมันพิดกฎหมายซื้อเหล่ามันถูกกฎหมายอยู่แล้วไม่หายหนุงกับไผ่มันโนราณจะพิษมันแมนด้วย สื่อขึ้นมามันพบพิษแหละกินเขามากกอกปากจะของอีต่างหากบริบทกอกปากผู้อื่นแต่เพราะมันกินเขามาแล้วมันเมาได้ปนะ่ะพ่อพอเมาขึ้นมามันขาดสติคนขาดสติปืนยึดมือนเออนี่ยเออยยิงปางปิงไปผู้อื่นนั่นแหะมันพิษตะบาดเพราะมันขาดสติคนขาดสติแล้วทําความชั่วด้ทุกอย่างเพราะปันพิบานระกันพิบามีอาวุธในมือของมันนะ่ะ มี่สัตราในมือของมันเออมันยิดาไผมันกระดาพอมันมีมันขาดสติมันบมจักความหยับยั่งเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพณ์บอกว่าอย่าไปกินเหล่านะถ้ามันกินเหล่ามันขาดสติขั้นขาดสติแล้วไปทำความซวยในทุกอย่างเอแต่บางค้อนพ้องว่ากฎหมายบอกว่เพราะคนเมาเออมันก็เลยมันเลยทํา ได้ทุกอย่างกฎหมายกันเลยลดโทษเฮ่อพอมันเมาก็แม่หลวงพ่อหวไอ้บ่อแล้วขันมึงกินน้ำซื้อมึงเสียมเมาได้จังได้มึงไปหากินเหล่ามันก็เมาตัวมึงหูจ้าว่ามันเมามึงจะกินให้ยังมีแต่กูสีหยัดเขาไม่คุกมันเล็กๆคนนั่นดีคนนึไปก็แม่หลวงพ่อว่าเออเพเห็ุใดเพราะมันขาดสติเดชูจ้ากินแล้วถ้ามันกินน้ำซื้อมกินน้า สมนำหวานคูจั๊กมันบ่เมาไม่กินนำเหล้ามันก็เมาเพราะเมามันขาดสติขาดสติมันก็มันก็เฮ็ดสัวได้ทุกอย่างนะเอ๋กินเข้าไปแล้วยอมใจเจ้าของอีกเพราะยอมใจเจ้าของเอ๋ใอรมันกล้าคือโดนไปมันเป็นบ้าปโดนไปเอ๋คือการกับสร้างพระราชาสมัยก่อนที่เขาซึกสงครามนะเอเขาจะให้มันกินเหล้าเพราะกินเหล้าไปมันโมจัก เป็นจะตายได้เปล่าเนี่ยปอยเข้าไปก็บะลึงตึงนั่งตีสะพุ้นตะพือพอมันเมาเด้อันนี้คือกันค้นเมาเลยทำความสว่วนเลทุกอย่างพอขับรถไปกันน่ะขาวายาขับยาขับอันตรายนนาไม้ปวดไปยังเพราะมันขาดจิตีจเด้ขาดการยับยั้งเพราะนั้นศีลหาของพระพุทธเจ้าที่พวกเข้ามมก ทบทวนพิจารณากันกลองไตรตอง้วยเหตุและผลแล้วเป็นศิลที่คุ้มคล่องโลกจริงๆเมื่อผู้ใดรักษาศินใดแล้วเป็นสินที่คุ้มของโล ก, ก, ส, ล ส, โลกสิบว่เข่าคุกเข่าตาล่างอีกต่างหากคุกตะล่างเนี่ไปว่ามัดประตูคุกเนี่ยบอมีเลยแล้วบอมมี่ผู้ใดผิดที่มันผิดคุ่มือในพวกเขาเอให้พิพากษาอายการ มาอะไรบ้งมันพิษศีนขอใดวะที่มันเขาคคกพวกนี้มันล้วนแล้วจะพิดศีนหาทั้งเกือบทั้งหมดเออมันพิดเสียดมันพิดสิวมันพิษไก่ขลุโทษเราหุโทษโทษศีนไหมยังสิละมันมีนักมีเบาเป็นขันขันคำเป็นภวินัยของพระก็คื อ, อ, อปาราชิก ลดจงปลายชิกิตสัง้าที่เสร็ทุนละใจปลาจิตติทุกกฎนะแต่มันเป็นเครื่อคายเครื่อคายอาบัตหนักคือกันแต่มันลดโทษลงมากมันทำทําหมเต็มหมเต็มที่แต่มันเขาเครื่อคายน่นันไปนี่แหละอันนี้คือสินและวินัยหรือว่ากฎหมายของบ้านเมืองก็ลักษณะขึ้กัน เพรานั้นเฮาฮู้แล้วว่ามันกฎระเบียบของประเทศชาติมันคือยังบานเนี่ยต่างคนต่างหูเฮ็ดจังสี่มันพิษเฮ็ดจังสีมันถื่อต่างคนกับต่างไดลเลี่ยนได้รับการศึกษามากปริญญา ต, ตรีโทษเอกแต่ละติแต่ละประเทศชาติส่งคนไปเฮียนหนังสือจากต่างประเทศหรือในประเทศตั้งแต่เกิดมา เกิดจาว่ายูใน่องปีสองปีทรงกัเฮียนหนังสือล่ะเฮียนกดเฮียนระเบียบเปียบสอนกันที่โบหูจักดีโบหูจักสัวปนุอันดีสัวอันไหดีอันไหสวนโะบหูจักบอกน ะ, ะหูจักยูแต่มันสู่กิเลสบ่อยกิเลสความโลภความโกรธความหลงนะหูจักปันได้วันเดนไปแต่ว่ามันสู่ความโลภบ่อย บว่าแต่เมื่องเผอเท่านั้นะเอาหลดอันนี้ไปว่าขาดจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจคันว่าคนมีคุณธรรมในจิตใจถ้าเขาไปเอากับเขาแมนยุเขาบบหูในเขาบบหูแต่เมื่อเขาหูขึ้นมากเมื่อใดเน่ะเขาเสียใจเฮ้าขึ้นกันในเมื่อเฮ้าบบหูเขามาเหตุเฮ้าเฮ้าบหูแต่เฮ้าหูเมื่อใดถูตาย เฮ้าก็เสียใจขึ้นกันเพราะนั่นเมื่อเฮ้ามีปัญญาเฮ้าหู้ว่ามันพิษนะเนี่ยเฮ้าอย่าไปทําให้กับอย่าไปทํากับเขาอย่าไปเห็ดให้เขาเออถึงเขาหู้เฮ้าก็ต้องแนะนําเขาอันนี้มันเป็นแบบนี้แบบนีนะ้อันนี้ชิดของคุณนะอชิดของคุณต้องเป็นแบบนี้นะอันนี้เป็นชิดของคุณจะต้องได้คุณต้องได้เฮ้าก็ต้องบอกเขาอันนี้คือ คนมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่อยู่น้ากันแต่ว่าคน้นเมต่กิเลสโลภโกรดหลงอยู่น้ากันเนี่ยโอ้อย่างคู่มือนี่แหละเนี่ยอย่างพวกเข้าท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยข้านเข้าาผู้ใดมีศีลมีธรรมเนี่ยเมันสูงกิเลสวะไดเลยมันหนามไฟมันมันมันมากกว่าหนามนะเออข้่นเขา พวกที่มีคุณธรรมศีลธรรมหลวงพ่อก็มีแตรบอกเกาะกอกอยู่ในปางทีละกนันจะไปบอกในช่มชนเขออกาก็บิเสื้ออีกก็ภาษาหลวงพ่ออินเขาจะวางกันอีกเนี่ยเพราะเห็ุใดพอวาไฟมันมันไหลกว่านา้ำทาว่าน้ำไหลเข้าไฟมันก็ต้องดับดับกันได้อยู่กันได้ด้วยความสงบลมเย็นเป็นสุกพ่อกันรักษากันนี่แหละ คอยพวกเข้าท่าทั้งหลายเบิ้งในหัวใจเจ้าของเดือบาดนี้ใจของเขานี่มันเป็นจากไหนให้เบิงเจ้าของสิ่งใดพิษสิ่งใดถูกเข้าได้ศึกษามาปานนี้แล้วจีบุหุจักบออันในควด น, นีบุกวรจังใดเบื้องสูงเบื้องต่ำสถานกลางพ่อแม่พีน้องลูกหลานสัต่าติยมให้เบื้องเจ้าฟ้ามหากษัตริย์คือ้นอยัง ขราชการปู่ใหญ่ปูป่ดูแลประเทศชาติคือหยังพ่อแม่ของเฮาคือหยังพี่น้องของเฮาคือหยังเอคู่บ่ายจานของเฮาคื อ, อยังพ่อแม่คู่บ่ายจานของเฮาคื อ, อยังลูกหลานของเฮาคื อ, อยังขั้นหูวจักว่างตัวหัวาจักสถานะของเจ้าของจิงควนบกขวนจังใดกันปฏิบัติตนใดนะ่ะดูใจลมเย็นเป็นทุกมัดธนาว่าก้าวไกลกันเออ กูมนไผ่สูนะั่นอันนั้นละเดือดร้อนวนไหวไปหมดทุกหัวและแห่งเพราะบ้เบิ่งเจ้าขอเพงวันนั้นขอให้พวกเข้าทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการยำเตือนว่ากล่าวสําหรับพวกเข้าทันทั้งหลายเป็นพุทธศาสนากชนให้มีศีลธรรมให้มีจริยธรรมที่ดีให้มีศีลหาง่ายๆอย่างที่หลวงพอ่ออธิบายให้ฟังศีลหา เขาเฮาเฮาเขาออมีประโยชน์จังไรสินหาใครคนมีสินหารักษาจบ ข, ของแล้วนั่นนะจะไปให้รักษาผูอื่นนะสินหาคิดไปแต่ให้ผู้อื่นรักษาอันนั้นแปลว่าคิดอีกแบบหนึ่งคิดแบบโง่อีกมันต้องรักษาจบของต้องนับหนึงจัดจะข่าวพระเจ้าไป ข้าพเจ้ารู้คุณค่าของศีลห้าแล้วว่าศีลห้ามีประโยชน์ยิ่งมีประโยชน์จริงข้าพเจ้าคนหนึ่งจะเป็นผู้รักษาศีลห้านับหนึ่งจะข่าพระเจ้านะฮอ อ, อย่าประเมาสินายกควจะมีศีลหาและทมตีคนจะมีศีลหาขาจะเป็นขี่ขโมยมันสิหาความสุขใดอย่างไรก็เดือดร้อนไปทุกหัวละแหงคือเกาวต่างคนต่างจะให้ผู้ใหญ่เป็นผู้มีศีลหา เราจะดรอททั้งหลายเป็นขี่ขโมยคดโกงกันเฮ็ดผิดกคดระเบียบเฮ็ดพิษโคดไมบ้บานเมืองเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นทุกใดจังใดข้าพระเจ้าฮู้แล้วว่ามันศีลหาของพระพุทธเจ้าไม่คุ้นขาเอาเถอะข้าพระเจ้าถึงจะยุลาคยาก็ข้าพระเจ้าจะเป็นผู้มีศีลหาสิ่งใดที่มันพิดข่าวพเจ้าจะบอ่อทําในสิ่งที่มันพิษนั่นะมันผิดกคดระเบียบของ บัานเมื่องผิดกฎหมายผิดศีลธรรมล่ะขาพระเจ้าจะบว่าถ้ในสิ่งนั้นกันว่าทุกคนมองเจ้าของจังจันแล้ว น, ะนั่นน่ะโลกทั้งโลกก็จะสงบลงไฟทั้งหลายโลภโกรธลงมันจะสงบลงเออคอยเย็นไปเรื่อยๆจู่รำ ก, รกันกระยิมแยมแจมไซไปมาหาสูกันมีแต่ความรมเย็ดเป็นทุกขมีแต่ความโอบอ้อมอารีเ อ, อเือบเฟือเพื่อแพ้กันผู้ได้ทุกข์ผได้จน มีน้ำจิตน้ำใจต่อกันนี่แหละรักธรมค้ามสอนของพระพุทธศาสนาตอนน่อในไปรับพ่อนะ่าอนุโมทนาให้พร